ขอให้บุคคลทั้งสองเลิกทาปาณาติบาตอันเป็นวิจชาอาชีวะหันมาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกไปจากตัวและก็เกิดความมั่นใจอย่างประหลาดว่านางบุญพาและนายหลุ่มสามีของนางต้องได้รับส่วนแห่งบุญกุศล น, นั้นอย่างแน่นอนเสร็จธุระอันสำคัญนั้นแล้วท่านจึงส่งน้าทาความสะอาดร่างกาย รู้สึกเบาตัวสดชื่นกับปลีกับเปล่ายัางไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจแห่งบุญกุศลอันเกิดจากภาวนามัยช่างประนีตลึกซึง้งและจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้เลยเวลาอาหารเช้าร่วมครึ่งชั่วโมงท่านไม่รู้สึกหิวจึงเริ่มเดินจงกรมตั้งใจจะนั่งสมาธิไปจนถึง11นาฬกา อันเป็นเวลาเพนต่อจากนั้นจึงจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดามารดาญาติพี่น้องครูอุปชาอาจารย์เทพยดาเปรตและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกภูมิโดยไม่มีประมาณและที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือเจ้ากรรมในเวรของท่านบางทีพวกเขาอาจจะพากันอโหสิกรรมให้หรือไม่ก็ ให้ท่านได้ชดใช้กรรมเร็วขึ้นอย่างช้าก็ขอให้ก่อนเวลาที่พระอุปชาอาจารย์ของท่านจะมรณภาพเพื่อใช้นี่แก่นกเดินจงกรมได้ชั่วโมงเศษจึงกำหนดนั่งรู้สึกสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วกว่าทุกครั้งการกำหนดพองยุบชัดเจนและสม่าเสมออาการปวดเมื่อยต่างๆไม่ปรากฏ ท่านรู้สึกสบายกายสบายใจตลอดเวลาที่นั่งมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและก็สามารถประคองจิตไว้ไม่ให้ตกภวังกระทั่งได้ยินเสียงระฆังเพลงจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อฉันพัฒหารเพลง พระบัวเหียวกำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดหอฉันก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังหันไปดูก็พบชายวัยกลางคนนั่งคุกเข่ากับพื้นซีเมนมือประคองถาดอาหารเป็นถาดทรงกลมทำด้วยกระเบื้องลายครามในถาดมีชามชุดบรรจุอาหารพร้อมฝาครอบตรงกลางมีถาดแก้วใส่น้ำไว้เกือบเต็มท่านบัวเหียว เราขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอถวายอาหารมือนี้แก่ท่านโปรดรับประเคนด้วยพระบัวเฮียวยื่นมือทั้งสองออกไปรับถาดอาหารแล้วถามขึ้นว่าโย ม, มาจากไหนและทำไมจึงรู้จักอาตมาท่านไม่เคยเห็นบุรุษผู้นี้มาก่อนท่าทางเขามีอะไรอะไรที่ผิดไปจากคนธรรมดา แม้จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปทว่าผิวพรรณดูละเอียดผุดพองทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆออกมาจากกายเป็นกลิ่นที่จมูกของพระโวเยวไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเราอาศัยอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาให้ใครเห็นนอกจากท่านพระครูแล้วก็มีท่านนี่แหละที่ได้เห็นเราเสียงนั้นก้องกังวานแม้จะไม่มีคาว่าครับ หากก็ฟังไม่ขัดหูขอบใจโยมมากเชิญขึ้นข้างบนก่อนสิจะได้คุยกันไม่รอกเราจะรีบกราบเราไปละปุรุษนั้นก้มลงกราบสามครั้งและลุกเดินออกไปทางประตูหลังวัดพระโบฮิเยวคิดว่าเขาคงเป็นชาวบ้านฝั่งโน้นพายเรือข้ามฟากมาจึงอยากไปดูให้เห็นกับตา วางถาดใบนั้นไว้ตรงหัวบันไดแล้วเดินตามออกไปติดๆครันพ้นประตูวัดออกไปกลับไม่พบผู้ใดเดินอยู่แถวนั้นแม้แต่คนเดียวมองลงไปในน้ำก็ไม่พบเรือแม้แต่ลำเดียวเช่นกันท่านจึงเดินกลับไปที่หอฉันด้วยความชะงนชงายคิดว่าฉันเสร็จจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูให้หายคล่องใจพระบัวเหียวหยิบถาดอาหารตรงหัวบันไดขึ้นมา คลันนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเปิดฝาครอบออกทีละใบาชามแรกเป็นข้าวสวยชามที่สองเป็นน้ำพริกชามที่สามเป็นผักต้มมองเผินๆเป็นอาหารพื้นๆของพวกชาวบ้านทว่ากลิ่นนั้นหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนักท่านใช้ช้อนตักน้ำพริกลาดลงข้างบนข้าวและใช้ซ้อมจิ้มผักต้มมาวางบนน้ำพริก ตักใส่ปากกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกระทั่งถึงกลืนหนอแล้วก็ให้รู้สึกอิ่มแปร่ทั้งที่ฉันไปเพียงคำเดียวยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วหันไปบอกพระที่นั่งข้างๆลองน้ำพริกผักต้มนี่ดูสักคำสิครับรสชาติอร่อยดีแท้อร่อยก็ให้กำหนดรสหนอนะครับอย่าไปปรุงแต่ง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 ระหว่างที่นั่งรอพระรูปอื่นๆฉันพระโบเฮียวกำหนดสติด้วยการพิจารณาพองยุบที่ท้องจิตของท่านเริ่มชินกับการเจริญสติอยู่ทุบอิริยาบถเป็นไงวันนี้อาหารไม่ถูกปากหรือยังไงฉันน้อยเหลือเกินพระมหาบุญถามอย่างเป็นห่วงหาไม่ได้ครับผมอิ่มและรู้สึกมีความสุขมาก หลวงพี่ไม่ลองสักคำเหรอครับพูดพรางส่งชามผักและน้ำพริกให้พระมหาบุญตักมาชิมอย่างเสียไม่ได้ในความรู้สึกของท่านก็เป็นอาหารธรรมดารรมดาที่ไหม่ไม่รสชาติอะไรพระบวัวเหียวมีรู้ดอกว่าสิ่งที่ตนกําลังประสบอยู่ในขนาดนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเมื่อฉันเสร็จและยะถาสัพพี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 คือในมารของผู้บีใบหน้าอันเปื่อนสุขกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วภิกษุวัย30จึงเริ่มเรื่องหลวงพ่อครับผมปฏิบัติได้ตามที่เคยกราบเรียนหลวงพ่อไว้ทุกประการดีมากเจนอนุโมทนาาอาจารย์ยกมือขึ้นสาธุ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 เธอปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาพระภิกษุที่อยู่ในวัดนี้รู้ไว้เสียด้วยผู้ชายที่นําอาหารมาให้เธอเมื่อสักครู่นี้นะ่ะคือเทวดาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเทวดาพระบัวเฮียวทวนคำจะเป็นไปได้อย่างไรครับหลวงพ่อถามอย่างขล่องใจเต็มประดา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 อย่ากังวลเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เรียกกลับคืนไปได้แล้วทำไมเขาถึงมาเจาะจงถวายผมคนเดียวล่ะครับแล้วพระมหาบุญชิมก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ผมได้บัวเหี้ยวเรื่องอย่างเนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกใคร เหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นกับฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฉันก็ไม่เคยบอกกล่าวให้ใครฟังที่บอกเธอเป็นคนแรกเพราะเธอได้ประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันฉันถึงได้อนุโมทนากับเธอยังไงล่ะงั้นหลวงพ่อไม่เคยฉันอะไรอยู่แล้วทั้งวันก็เพราะอาหารของเทวดานี่เองใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาหารทิพย์ ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะมันประณีตกว่าอาหารของมนุษย์ซึ่งเป็นอาหารหยาบต้องชั้นทีละมากมากและก็ทายออกมาเป็นอุจจาระชั้นมากก็ทายมากแต่อาหารทิพชั้นคำเดียวก็อิม่มแล้วก็ไม่มีกากเหลือเป็นอุจจาระพวกเทวดาก็จึงไม่ต้องถ่ายอุจจาระบนสวรรค์ก็เลยไม่มีซ่วมเหมือนอย่างโลกมนุษย์ท่านพระครูอัฏฐาทิบาย หลวงพ่อเคยไปดูมาแล้วหรือครับถึงไม่ดูก็รู้ที่รู้ก็เพราะเห็นน่ะที่เห็นเพราะเห็นหนอบอกใช่ไหมครับเออน่ะจะอะไรก่อดช่างถ้าเธออยากเป็นอย่างฉันก็ให้เร่งทําความเพียรข้าวันหนึ่งก็จะสําเร็จได้หลวงพ่อครับทําไมเทวดาเขาจึงนําอาหารมาถวายเฉพาะผมกับหลวงพ่อล่ะครับ ทำไมพระรูปอื่นๆเขาจึงไม่ถวายกอเขาพอใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานาสิอย่าลืมนะโบเฮียวพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นประเสริฐกว่าเทวดาสิอีกแม้เทวดาเขาก็นับถือการที่เขานำอาหารมาถวายเขาก็อยากได้บุญเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเมื่อพระอรหรันตันออกจากนิโรธสบาบัต พวกเทพพยดากาพากันนาอาหารมาถวายโดยแปลงมาเป็นในรูปของมนุษย์เป็นเทวดายังอยากได้บุญอีกหรอครับอยากได้สิก็เวลาเราปฏิบัติกรรมาฐานเสร็จเราจะต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาด้วยเมื่อเขาได้รับส่วนบุญเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณเราดยการนำอาหารทิพมาถวายและเมื่อเขาถวายเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีก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 อย่าเลยบวเหี้เป็นเธอน่นแหละดีแล้วเพราะทางที่เธอกำลังเดินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเป็นเทวดาแม้จะมีความสุขสบายอย่างไรก็ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครอย่างไม่รู้จักจบสิน้น แล้วก็ใช่ว่าจะเลือกเกิดเป็นเทวดาได้ทุกภพทุกชาติสิมรยัยประมาทพลาดพลั้งลงเมื่อใดก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลวงพ่อครับพวกเทวดาเนี่ยมีแต่ดีๆใช่ไหมครับที่เรลวๆไม่ไหมครับสิทธามอีก เทวดาก็มีสองประเภทคือพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมีทั้งคนดีคนเลวพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพวกเทวดาตรงส่วนพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาพาลพวกหลังเนี่ยชอบกินเครื่องเส้นชอบรับสินบนส่วนพวกแรกไม่รับเพราะชอบความยุติธรรม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 อยากกาเริบเสบสารขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปวันหนึ่งก็อาจจะถึงจุดหมายได้พระบัวเหี่ยแสนจะดีใจจนต้องกําหนดดีใจหนอดีใจหนออยู่นานหลวงพ่อครับผมจะเล่าเรื่องให้พระมหาบุญฟังได้ไหมครับท่านขออนุญาตอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาด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 ว่าตอนให้พระมหาบุญชิมอาหารทิพ์น่ะเขาก็ยังเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาทั้งนี้ก็เพราะเทวดาเขาจงใจให้เธอผู้เดียวคนอื่นมาชิมก็ไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นอย่างที่เธอได้ฉันขอร้องนะบัวเยียวห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับ แต่หลวงพ่อครับถ้าเกิดพระมหาบุญท่านเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับผมผมค่อยบอกว่าผมก็เจอมาแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นละก็ได้ต้องให้เขาประสบกับตัวเองเสียก่อนเขาถึงจะเชื่อเพราะของอย่างนี้มันพิสูจน์ให้ผู้อื่นรู้เห็นด้วยแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันไม่ใช่ของสาธารณะแต่เป็นของเฉพาะตน เพราะฉะนั้นถ้าเธอปากสว่างไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาจะต้องว่าเธอบ้าแน่ๆจำเอาไว้แล้วจะบาปไหมครับบาปสิบาปทั้งคนบอกแล้วก็คนถูกบอกนั่นแหละบาปยังไงครับอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกและจะบาปได้ยังไงก่อเวลาที่เธอพูดเรื่องจริงคนเขาฟังไม่เชื่อนอะ่ะเธอรู้สึกอย่างไรล่ะ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 คนทุกวันเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเพราะเขาหาว่าสิ่งเหล่าเนี้ไร้สาระพอตายไปก็เลยไปตกดรกกันมากต่อมากโดยไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวน่าสงสารท่านสายหน้าชัดช้าอย่างปรงสังเวชแต่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ละครับเธอจะเอาอะไรมาพิสูจน์เอาละ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 คือผมเล่าแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับเธอว่าบาปไม่ละ่ะก็เพราะผมไม่ทราบนะสิครับจึงได้เรียนถามหลวงพ่ออยู่นี่ไงกรุณาอธิบายให้ผมฟังหน่อยเถอะครับแหมคำถามเธอหนะระดับป .4 เท่านั้นนะบัวเยี่ยวท่านตำหนิไกลายก็ผมจบแค่ป .4 นี่ครับไม่ได้จบมัธยมเหมือนหลวงพ่อจะได้มีคาถามระดับม .6 มาถาม คนเป็นสิท์ย้อนไม่แน่หลอกบัวเยี่ยวคนจบป .4 ส, สามารถถามคำถามระดับม .6 ได้ฉันจบแค่ม .6 ยังถามคำถามระดับปริญญาเอกได้เลยแม่ก็ใครจะเก่งเท่าหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อนะมีคนเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะมีในโลกโดยซ้ำส่วนคนงี่เง่าอย่างผมนะ่ะมีมากมายหลายหลากเออนาเออนาไม่ต้องพร่ำพลนาให้มันมากมายถึงปานนั้นหรอกจะให้ตอบอะไรก็ว่ามาก็ผมถามแล้วนี่ครับถามว่ายังไงล่ะก็พูดเยินเ ย, อย้อยืดยากสิจนฉันลืมถามใหม่สิฉันจะได้รีบรีบตอบประเดี๋ยวคนอื่นมาจะได้ไม่ต้องรอคิว พระบวัวเหียวจึงต้องทวนคําถามใหม่ว่าผมเรียนถามหลวงพ่อว่าคนที่เขาฟังน่ะจะบาปไหมครับถ้าผมเล่าเรื่องเทวดาให้เขาฟังแล้วเ้าไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับพูดชัดช้าชัดถ้อยชัดคําก็ตั้งใจยวนด้วยนั่นแหละท่านพระครูจึงตอบว่าบาปสิบวัวเฮียวก็ในเมื่อเธอพูดเรื่องจริง แต่เขาไม่เชื่อก็เท่ากับเขามีอกุศลข้อโมหะใช่ไหมใช่ครับสิทธิ์ล้อเลียนขณะนั้นบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็ทยอยกันเข้ามานั่งเพื่อให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้วันนี้ก็คงจะเป็นวันของคนท้องเพราะผู้หญิงคันแก่พากันมาร่วมสิบรายที่กลับไปเมื่อตอนเช้าก็หลายราย แต่ละรายก็ต้องได้ผลมะตูมเสกติดไม้ติดมือไปต้มกินเพื่อบำอรุงคันแต่ถ้าคันแก่มากจนจะคลอดท่านก็จะให้กล้วยน้ำว้าเสกไปทานเพื่อให้คลอดง่ายท่านพระครูได้ให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผลมะตูมและกล้วยน้ำว้าไว้จำนวนมากเพราะรู้ว่ามีคนมาขอบ้างก็ไม่มาเองส่งให้สามีหรือว่าญาติมาขอแทนเพราะคนเขาพูดกันว่า มะตูมเศษของท่านนั้นวิเศษนะักคนท้องกินเข้าไปแล้วคลอดลูกง่ายทุกรายสตรีคันแก่นางหนึ่งครานเข้าไปหาเพราะถึงคิวล่นกราบสามครั้งแล้วก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะลูกหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเดี๋ยวสิตอบตอนนี้ยังไม่ได้ต้องรอให้คลอดออกมาเสก่อนแล้วหลวงพ่อจะบอก คำตอบของท่านเรียกเสียงโหเราะจากทุกคนในที่นั้นแล้วท่านจึงสอนหล่อนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ลูกของเรานะหนูนะให้เขาออกมาอาการครบส2สองไม่บ้าใบาบอดหนวกก็พอแล้วจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ช่างเขาโตขึ้นขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมก็แล้วกันค่ะ เอาไว้ข้าโตแล้วหนูจะค่อยสอนหล่อนว่าสอนเดี๋ยวนี้แหละหนูต้องสอนกันตั้งแต่อยู่ในท้องข้อสำคัญพ่อแม่ต้องทำตัวอย่างถ้าแม่คนไหนนั่งจั่วไพ่ทั้งวันรับรองลูกออกมาเล่นไพ่เกง่งเพราะเขาสังเกตการมาตั้งแต่อยู่ในท้องเสียงหัวเราะ ด, ดังขึ้นอีกอ้าวนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่น เด็กจะดีเขาก็ดีมาตั้งแต่ในท้องเลยอย่างบางคนพอคลอดออกมาปุ๊บก็บอกแม่ว่าแม่จ๋าตักบาตเธอท่านเรียนเสียงเด็กพูดนี่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคนดีมาเกิดสาคัญเขาจะพูดว่าแม่จ๋าซื้อรองเท้าหน้าสูงถ้าแบบเนี้ก็แปลว่าชอบแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รองเท้าหน้าสูงไม่มีระค่ะหลวงพ่อสงสัยจะเป็นรองเท้าส้นสูงสตรีนั้นแย้งไม่ใช่ส้นสูงรองเท้าหน้าสูงคือใส่แล้วหน้าสูงไงล่ะหน้าเชิดสูงขึ้นไปเลยท่านทำหน้าเชิดประกอบคนฟังหัวเราะอีกแต่พอถอดรองเท้าออกหน้าต่ำเลยนี่แหละรองเท้าหน้าสูง โยมเคยใส่ไหมละ่ะท่านถามสุภาพสตรีสูงอายุที่นั่งหลังสุดเคยค่ะเคยสมัยสาวๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสังขารไม่อำนวยหญิงสูงวัยตอบนางมารอเพื่อจะขอผลมาตูมเศษไปให้ลูกสาว